วันนี้เป็นวันเสาร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2562เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมวันเติมปัญญาความรู้ความฉลาด ให้แก่ชีวิตจิตใจของพวกเราเพราะไม่มีความรู้อันใดที่จะทำให้พวกเราฉลาดกันอย่างแท้จริงความรู้ต่างๆในโลกนี้ถึงแม้จะเป็นความรู้ระดับปริญญาเอกก็ยังไม่ถือว่าเป็นความรู้ที่แท้จริง เป็นความรู้ที่จะทำให้เราฉลาดอย่างแท้จริงเพราะเป็นความรู้แบบช่วมหัวเอาตัวไม่รอดเป็นความรู้ที่ไม่สามารถป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นกับจิตใจของพวกเราได้ต่อให้เรียนจบระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลก ความรู้ที่ได้จากระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกก็ยังไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์หรือป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นมาภายในใจของพวกเราได้จึงถือว่าเป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด ความรู้ที่จะทำให้เรารลดพ้นจากความทุกข์ต่างๆทางด้านจิตใจมีความรู้ทางธรรมนี้เท่านั้นจึงถือว่าความรู้ทางธรรมนี้เป็นความรู้ที่จะทำให้พวกเราฉลาดกันอย่างแท้จริงเพราะจะทำให้พวกเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง ป้องกันไม่ให้ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นกับจิตใจของพวกเราอีกต่อไปนี่แหละคือการมาเรียนรู้มาศึกษาธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพ <c oughs> ื่อให้เกิดปัญญาบารามีขึ้นมาปัญญาที่จะทำให้พวกเราได้รู้ เรื่องราวของตัวของพวกเราเองตอนนี้พวกเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครกันเรามาจากไหนเราจะไปไหนเรามาทำไมเรื่องราวนี้เราหาคำตอบไม่ได้ถ้าเราไม่มาศึกษามาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เดือจากพระ อ, อริยสงสาวกเราจะไม่รู้ว่าเราเป็นใครเรารู้รตามที่เราคิดกันเราคิดว่าเราเป็นร่างกายเราเป็นลูกของพ่อของแม่เรามีเพื่อนมีพี่มีน้อง มีทรัพย์สมบัติมีก้าวของเงินทองอะไรต่างๆความรู้เหล่านี้ไม่ใช่เป็นความรู้ที่แท้จริงไม่ใช่เป็นตัวเราตัวเราไม่ใช่เป็นร่างกายตัวเหล่านี้เป็นผู้รู้ผู้คิดที่เรียกว่าจิตใจที่ก่อนที่จะมาได้รับร่างกายอันนี้ เราเป็นดวงวิญญาณผู้รู้ผู้คิดนี้ที่เราเรียกว่าจิตใจตอนนี้เวลาที่ร่างกายตายไปจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจนี้ยังอยู่ต่อไปอยู่ในโลกทิพย์เรียกจิตใจว่าดวงวิญญาณแล้วก็จะไป อยู่ในภพต่างๆตามอำนาจของบุญของบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่หลังจากที่ได้พ้นบุญพ้นบาปไปแล้วหลังจากที่ได้ไปรับผลบุญผลบาปแล้วดวงวิญญาณก็จะไป หาร่างกายอันใหม่ไปหาพ่อแม่คนใหม่ที่จะสร้างร่างกายอันใหม่พอพ่อแม่คนใหม่สร้างร่างกายอันใหม่ดวงวิญญาณก็จะส่งกระแสของดวงวิญญาณไปเกาะติดกับร่างกายดวงวิญญาณความจริงไม่ได้อยู่ในร่างกายเพียงแต่ส่งกระแส มาเกาะติดที่ร่างกายเกาะอยู่ที่ห้าส่วนของร่างกายคือเกาะที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นและที่ร่างกาย mm hmm. เพื่อที่จะได้รับรูปเสียงกลิ่นโน้นผดทะพะ <c oughs> ที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเอง สาเหตุที่ใจหรือดวงวิญญาณยังไ ข, ขว่คว้าหาร่างกายอันใหม่อยู่เพราะว่ามีความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผทถพะชนิดต่างๆนี่เองการที่จะมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผทถพะได้ก็จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือ ไว้รูไรับรูปเสียงกลิน่นรสผลทพะเรื่องมือก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนี่เองที่มีมากับร่างกายพวกเราจึงดวงวิญญาณของพวกเราจึงคอยรอจังหวะที่มีพ่อแม่คนใหม่สร้างรูปคนใหม่ขึ้นมาดวงวิญญาณ ที่มาพบกับร่างกายอันใหม่ก็สามารถที่จะส่งสัญญาณหรือส่งวิญญาณมาเกาะติดอยู่กับร่างกายได้ทันทีเนะี่สัญญาณที่จิตส่งกระแสมาเกาะติดอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายนี้เรียกว่าวิญญาณนะต่างกับดวงวิญญาณฮ ดวงวิญญาณคือดวงจิตดวงใจทั้งดวงดวงจิตดวงใจหรือดวงวิญญาณนี้ส่งกระแสออกมาจากดวงวิญญาณอีกทีหนึ่งกระแสที่ออกมาจากดวงวิญญาณก็เรียกว่าวิญญาณในขันห้ามีอยู่หส่วนวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกทางลิ้นทางกาย วิญญาณเป็นผู้รับรูปจากตามาให้ใจผู้รู้ผู้คิดวิญญาณ ห, าหูก็รับเสียงเข้ามาจมูกก็รับกลิ่นลิ้นก็รับรสและร่างกายก็รับสัมผัสที่มากระทบกับร่างกายพอดวงวิญญาณ พอวิญญาณส่งข้อมูลเหล่านี้มาให้ใจผู้รู้ใจก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาเกิดความสุขเวลาได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกอกถูกใจเกิดความทุกเวลาที่เกิดสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ถูกใจนี่คือวิธีหาความสุขของ จิตใจจึงต้องหาร่างกายมาเป็นเครื่องมือหาความสุขกันพอได้ร่างกายพอออกจากท้องแม่มาก็ได้ถูกสอนความรู้ใหม่ซึ่งไม่ใช่เป็นความรู้ที่แท้จริงแต่ถูกสอนว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราแทนที่จะสอนว่าร่างกายนี้ เป็นผู้รับใช้เราเป็นตุ๊กตาเราคือเจ้านายของร่างกายคือผู้รู้ผู้คิดคือจิตใจนี่คือความรู้ที่ไม่มีใครรู้กันในโลกนี้ทุกคนเวลาเกิดมาก็มาคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราซึ่งขัดกับความจริงความจริงคือ ร่างกายเป็นผู้รับใช้จิตใจจิตใจผู้รู้ผู้คิดนี่แหละคือตัวเราที่เรามาเกาะติดกับร่างกายเหมือนคนขี่ม้ากับม้าเนี่ยเป็นคนละคนกัน <c oughs> ม้าเป็นผู้รับใช้คนขี่มา้าคนขี่ม้าต้องการจะไปไหนมาไหนก็สั่งให้ม้าพาไป จิตใจต้องการไปไหนมาไหนก็สั่งให้ร่างกายพาไปเวันนี้ญาติโยมมาที่นี่ได้อย่างไรก็เพราะว่าจิตใจของญาติโยมมีคำสั่งให้ร่างกายพามาที่นี่นั่นเองพอถึงเวลาก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาที่นี่นี่แหละคือเรื่องการทำงาน ระหว่างจิตใจกับร่างกายออท่านถึงบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้ขี่ร่างกายผู้สั่งให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆเพราะใจต้องการประโยชน์สุขจากการกระทำผ่านทางร่างกายนั่นเองเ อ, อ, อยากไปหาความสุขในรูปแบบไหนก็สั่งให้ร่างกายพาไป วันนี้อยากมาหาความสุขแบบทางด้านจิตใจก็สั่งให้มาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญทาทานมารักษาศีลอันนี้เป็นวิธีหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งต่างจากความสุขที่คนส่วนใหญ่จะหากัน คนส่วนใหญ่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตพัณจะพาจะสั่งให้น่างกายไปตามสถานบันเทิงต่างๆไปโรงมหรอศพหรือไปตามศูนย์การค้าไปตามสนามเล่นต่างๆหรือไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นั่นเป็นความสุขผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายส่วนการมาวัดนี่เป็นการมาหาความสุขทางจิตใจไม่ต้องใช้ร่างกายเพียงแต่ว่าอาศัยร่างกายพามาให้มาทำสร้างความสุขทางจิตใจนี่คือตัวเรา ตัวเราคือผู้รู้ผู้คิดตอนที่มีร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจนะพอเวลาร่างกายตายไปจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจก็จะเรียกเป็นดวงวิญญาณและจะไปเกิดเป็นอะไรต่างๆต่อไปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว การไปเกิดก็จะไปเกิดเป็นดวงดวงวิญญาณชนิดต่างๆดวงวิญญาณที่มีความสุขเราก็เรียกว่าเทวดาอยู่ในสวรรค์อยู่ในซีกของโลกทิพย์ที่เป็นสวรรค์ถ้าดวงวิญญาณได้ทําบาปมาก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์ เราก็เรียกดวงวิญญาณที่มีความทุกขเหล่านี้ว่าเปรตบ้างเอาสุลกายบ้างว่านรกบ้างนี่คือสภาพของจิตใจของพวกเราเวลาที่เราไม่มีร่างกายเราจะไปอยู่ซีกไหนซีกของความสุขหรือซีกของความทุกข์ก็ขึ้นอยู่ที่บุญที่บาปเราทํากันใน ขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่เองทำไมเราจึงทําบาปกันทำไมเราจึงทําบุญกันก็เพราะว่าเรามีความอยากได้ความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั่นเองเราอยากได้ความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพพชนิดต่างๆบางเวลา เรามีความสามารถหามาได้โดยไม่ต้องทําบาปเราก็ไม่ทําบาปกันเช่นเราไปทํางานทําการมีความรู้มีเงินเดือนมีไรายได้เพียงพอเราอยากจะดูอะไรอยากจะฟังอะไรเราก็มีเงินจ่ายเราก็ไม่ต้องไปทําบาปแต่บางเวลา เราอาจจะขาดเงินขาดทองขึ้นมาเนื่องจากเราอาจจะใช้มากเกินกว่าที่เราหามาได้แต่ความอยากความต้องการความสุขจากสิ่งต่างๆมันไม่หายไปกับเงินทองมันกลับมีเพิ่มมากขึ้นแล้วมันก็จะมาบีบคั้นจิตใจของเราให้รู้สึกบงดหยิดลาคาญใจไม่มีความสุข เวลาไม่ได้ใช้เงินใช้ทองสังเกตดูจะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อไม่ได้อยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปไม่ได้บางทีเราทนกับความหงุดหงิดลำคาญไม่ไหวเราก็เลยต้องไปทำบาปกันไปหาเงินโดยวิธีไม่ชอบเช่นไปชอบโกงไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไปโกหกหลอกลวง หรือไปทำอาชีพที่ง่ายเช่นอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อที่จะได้มีรายได้มาเอามาใช้กำจัดความหุดหงิดนำคาญใจของเรานั่นแหละสาเหตุที่เราทำบาปกันก็เพราะความอยากอยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่บางเวลาเราไม่มีเงินทองไปซื้อไปแลกเปลี่ยน เราก็เลยต้องใช้วิธีทำบาปบางทีก็ไปขโมยของที่เราอยากได้ของที่ก็มีอยู่ในร้านเราอยากได้แต่เราไม่มีเงินจ่ายเราก็ย่องเข้าไปคอยดูว่าเขาเผลอพอเผลอก็หยิบใส่กระเป๋าไปนี่เราก็ทำบาปกันแล้วโดยไม่รู้สึกตัวว่าผลเราจะมีผลบาปตามมา ซึ่งคนส่วนใหญ่คิดว่าผลบาปนี้จะตามมาก็เฉพาะเวลาที่มีคนเขาเห็นเราทำบาปเช่นมีคนเขาเห็นเราขโมยพอเห็นเขาจับได้เขาก็จับเราไปลงโทษจับไปปรับจับไปติดคุกติดตารางแต่ถ้าเขามองไม่เห็นถ้าเราทำตอนที่เขาเผลอมองไม่เห็นเขาก็จะจับเราไม่ได้ แต่นี่ไม่ใช่เป็นผลบาปที่เราจะไปรับใช้กันผลบาปที่แท้จริงก็คือตอนที่ร่างกายเราตายไปแล้วดวงวิญญาณของพวกเหล่านี้มีบาปเหล่านี้ติดตัวไปด้วยดวงวินบาปเหล่านี้แหละที่จะไปทําให้จิตใจ ด, ดวงวิญญาณของเราหกถูกคุ้มห่อด้วยความทุกข์ที่เกิดจากการทําบาปตอนที่เราทําบาป ถึงแม้เราอาจจะไม่มีใครรู้ว่าเราทำบาปแต่ผลของบาปเกิดขึ้นภายในใจเราแล้ ว, ลวคือความรู้สึกไม่สบายใจนั่นแหละคือผลของการทำบาปหรือของการทำบุญเราทำบุญไม่มีใครรู้แต่เรารู้ทำแล้วเราก็มีความสุขอาจจะไม่มีใครรู้ไม่มีใครชมเชยไม่มีใครให้รางวัลกับเรา แต่เราได้ผลจากการทำบุญทำความดีแล้วคือเราได้ความสุขใจนี่ความสุขใจที่เกิดจากการทำบุญความทุกข์ใจที่เกิดจากการทำบาปนี่มันจะสะสมไว้ในใ จ, จิตใจของเราเหมือนกับเงินทองที่เราไปฝากไว้ในธนาคารเราเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารเงินมันก็ไม่สูญหายมันจะ อยู่ในธนาคารเงินที่เราไปกู้นี่ยืมเสน้นจากธนาคารมันก็ไม่หายเขามีบัญชีจดบันทึกเอาไว้ฉันใดบาปกบุญที่เราทำนี้มันจะสะสมความสุขความทุกข์ไว้อยู่ในใจของพวกเราแล้วมันจ ะ, สะแสดงผลอีกครั้งหนึ่งตอนที่เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วตอนนั้น ความสุขที่มีอยู่ในใจกับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจนี้จะมาต่อสู้กันจะมาดูว่าวฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่าถ้าความสุขภายในใจมีกำลังมากกว่าความสุขนั้นก็จะทำให้ดวงวิญญาณไปสวรรค์ไปเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขที่เราเรียกว่าเทพหรือเทวดา มีหลายชั้นหลายระดับขึ้นอยู่กับปริมาณของความสุขที่ได้ทำไว้ว่ามีมากมีน้อยมีตั้งแต่ชั้นจาตุมขึ้นไปสู่ชั้นดาวดึงชั้นดุสิตชั้นยามะชั้นปรนิมชั้นนิมาน น, นี่แบ่งสวรรค์ไว้หกชั้นด้วยกันเพราะปริมาณของการทำความดี ของดวงวิญญาณแต่ละดวงนี้ไม่เท่ากันดวงวิญญาณไหนทําความดีมากก็จะได้ความสุขมากเหมือนกับการไปพักตามโรงแรมที่มีดาวชนิดต่างๆโรงแรมห้าดาวสี่ดาวสามดาวมีบริการไม่เหมือนกันให้ความสุขกับผู้ที่ไปพักอยู่อาศัยไม่เหมือนกันราคา ที่จะต้องจ่ายให้กับโรงแรมก็ไม่เหมือนกันโรงแรมหนึ่งดาวก็ราคาต่ำํำถ้าห้าดาวก็ราคาสูงก็เป็นโรงแรมเหมือนกันมีห้องนอนเหมือนกันมีอาหารกินเหมือนกันแต่ทําไมราคามันไม่เท่ากันเพราะความสุขที่ได้รับจากการอยู่การกินในโรงแรมเหล่านั้นมันไม่เท่ากันนั่นเองอันนี้ก็เหมือนกับจิตใจของพวกเรา ที่ได้ทำบุญสะสมกันเอาไว้บุญที่เราทำไม่สูญหายไปไหนเราสูญหมืเงินทองไปแต่เราได้บุญกลับมาได้ความสุขใจอิ่มใจกลับมาได้ตั้งแต่เราทำในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าเราทำบุญอยู่เรื่อยๆแล้วก็ทำบาปไม่มากทำบุญทาบาปน้อยกว่า บ, บุญเราจะ มีชีวิตที่มีความสุขมากกว่ามีความทุกข์ในทางตรงกันข้ามถ้าเราทำบาปมากกว่าทำบุญเราจะมีความทุกข์มากกว่ามีความสุขเราไม่ได้วัดความสุขความทุกข์ของใจนี้ด้วยเงินทองที่เราหามาได้กันเพราะเงินทองที่เราหามาได้บางทีเราหามาได้ด้วยการทำบาปถึงแม้เราจะรวย แต่จิตใจของเรานี้จะมีความทุกข์มากกว่าคนที่เขายากจนกว่าเรามากกว่าคนที่เขาทำบาปน้อยกว่าเรามากกว่าคนที่เขาทำบุญมากกว่าเรานี่และคือความสุขความทุกข์ของใจนี้ที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของเงินทองที่เราหามาได้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆที่เราได้ทำได้ดูได้ได้ดูได้ฟังได้กินได้ดื่มอะไรมากมายกายกองบางทีสู้คนที่ไม่ได้กินไม่ได้ดื่มไม่ได้ดูไม่ได้ฟังเลยเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกพระสุปฏิปันโนทั้งหลายท่านไม่มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเหมือนพวกเรา ท่านไม่ได้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรเหมือนกับพวกเราแต่เชื่อไหมว่าจิตใจของท่านนี้มีความสุขมากกว่าพวกเราเพราะจิตใจของท่านไม่ได้ทําบาปจิตใจของท่านทําแต่บุญทําแต่กุศลที่ทําให้จิตใจของท่านอิ่มเ อ, อมิบมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ไม่ต้องไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆเหมือนที่พวกเราทำกันคนบางคนมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านแต่จิตใจนี้กับทุกข์มากกว่าคนที่มีเงินแค่แสนสอ ง, สงแสนก็เป็นไปได้ถ้ามันขึ้นอยู่กับการทำบาป <c oughs> และการทำบุญของ จิตใจของแต่ละดวงมันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของข้าวของเงินทองมีมากมีเงินทองมากแต่ได้เงินทองมาด้วยการทำบาปจะมีความทุกข์มากกว่าผู้ที่มีเงินทองน้อยแต่ไม่ได้หามาด้วยการทำบาปหามาโดยวิธีสุดจริตเช่นท ร, รมาหากินด้ว ย, วยความซื่อสัตย์สุดจริตไม่ชออโกงไม่ลักทรัพย์ ไม่กระทำผิดศีลผิดธรรมถึงแม้จะมีสมบัติไม่กี่ชิ้นกี่อันก็มีความสุขมากกว่าผู้ที่หาทรัพสมบัติมาด้วยวิธีผิดศีลผิดธรรมช่อกงนี่เป็นกฎแห่งกรรมเป็นอย่างนี้แต่เราจะมองไม่เห็นเพราะความรู้สึกของคนของใจเขานี่มันไม่ได้แสดงออกมาทางร่างกายเสมอไป บางทีร่างกายยิ้มแย้มแจ่มใสแต่บางทีก็เป็นการเสียแซงเราไม่รู้ว่าเขายิ้มด้วยความจริงหรือเขายิ้มด้วยความเสียแซงพอเราไม่รู้จริงๆนอกจากถ้าเจอกันสนิทกันแล้วถามสารทุกข์สุขถิ่กันบางทีเขาก็จะระบายออกมาให้เรารู้โอ้ยมีแต่เรื่องของความทุกข์เต็มไปหมดแต่เวลา ไม่รู้จากการ น, นี้เขาจะทําท่าเฉยๆยิ้มแย้มแจ่มใสเขาจะไม่แสดงอาการมีความรู้สึกทุกข์อะไรขึ้นมาแต่พอได้ฟังเขาพูดแล้วถึงจะรู้โอ้ยมีแต่เรื่องปวดหัวเต็มในในจิตในใจวิตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้นี่แหละคือเรื่องของจิตใจของพวกเราที่ จะสุขหรือจะทุกขน์นี้ขึ้นอยู่กับการกระทําของจิตใจเองถ้าจิตใจทําบาปจิตใจจะมีความทุกข์เนี่ยจิตใจทําบุญจิตใจก็จะมีความสุขในขณะที่เราอยู่นี้เราก็อาจจะสลับไปสลับมาบางวันเราก็ทําบุญวันไหนอารมณ์ดีเราก็ทําบุญทําความดีกัน วนไหนอารมณ์ไม่ดีเราก็มักจะทำบาปกันทำอะไรไม่ดีพูดไม่ดีอย่างน้อยก็พูดไม่ดีนะ้พูดจาหยาบคายด่าว่าคนนั้นคนนี้เวลามีอารมณ์ไม่ดีเวลามีอารมณ์ดีก็พูดจาสุภาพเรียบร้อยบางทีก็ทำข้าวของอ ทำลายเข้าของต่างๆทุบตีคนนั้นคนนี้เวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีหรือก็ไปทำอะไรต่างๆที่เป็นบาปแล้วแต่เหตุเราจึงสะสมบุญสะสมบาปกันพอร่างกายของเราตายไปตัวเราคือจิตใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ตอนนั้นจิตใจเราก็เปลี่ยนชื่อให้เป็นดวงวิญญาณแต่เป็นตัวเดียวกันเหมือนคนที่แต่งงานกันเวลาเป็นโสดก็เป็นนางสาวนี่พอแต่งงานก็เปลี่ยนชื่อเป็นนางแต่ก็เป็นคนเดียวกันฉัน้นใดเวลาจิตใจอยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจผู้รู้ผู้คิดเวลาที่ ไม่มีร่างกายเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณแล้วดวงวิญญาณก็มีหลายหลยหลายชนิดหลายแบบด้วยกันดวงวิญญาณที่มีความสุขเราก็เรียกว่าเทวดาดวงวิญญาณที่มีความทุกข์เราก็เรียกว่าเปรตบ้างเรียกว่าสุนรกายบ้างเรียกว่านารกบ้างทำไมจึงเรียกต่างกันก็เพราะเหตุของความทุกข์ต่างกัน ดวงวิญญาณที่เราเรียกว่าเปรตนี้ทุกข์เพราะความหิวโหวยเพราะเวลาที่มีชีวิตอยู่จะทำบาบด้วยความโลภอยากได้อะไรมากๆทั้งๆที่ไม่จาเป็นจะต้องทำบาปก็พออยู่พอกินแต่อยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตถ้าทำโดยไม่ทำบาปมันจะไม่ได้มันจะช้ามันจะนานไม่ทันใจก็เอาวิธีทำบาป เรียกว่าทําบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะทําให้จิตใจนี้ทุกข์กับความหิวโหวยเพราะความโลภ ก, ก็คือความหิวโหวยนั่นเองความอยากของจิตใจก็คือความหิวโหวยของจิตใจแล้วความอยากนี้ไม่ว่าจะได้มามากน้อยเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอได้คือก็อยากจะได้สอกได้ศอกก็อยากจะได้วา สังเกตไหมสมัยเราเป็นเด็กนักเรียนเราได้วันละเท่าไหร่พอเราเริ่มทำงานนี้เราได้มากกว่าที่เราได้จากการตอนที่เราเป็นนักเรียนเราก็ดีใจแต่มันก็ไม่พออีกอยากจะได้มากกว่าตอนนี้เราได้เท่าไหร่พอหรือยังก็ยังไม่พออีกวันนี้ได้ใช้วันละเท่าไหร่ถ้าได้เพิ่มอีกสองเท่าจะเอาไหมก็เอาทั้งนั้น นี่แหละคือความเรามันทำให้เราหิวเราอยากหิวเรื่อยๆแล้วพอหิวเราอยากก็ไม่ได้ทีนี้มันก็จะเกิดทุกข์ทรมานใจขึ้นมามันก็เลยทำให้ดวงวิญ ญ, ญาณกลายเป็นเปรตขึ้นมาเราเรียกก็ดวงวิญญาณที่หวโหยนี้เรียกว่าเปรตส่วนดวงวิญญาณที่ทุกข์เพราะความหวาดกลัวชนิดต่างๆพวกนี้ก็ทำบาปเพราะความหวาดกลัว กลัวสิ่งนั้นสิ่งนี้จะมาทำร้ายเราเราเลยไปกำจัดเขาก่อนกลัวมดกลัวมแมลงเราก็ฆ่าเขาก่อนเนี่นี่ทำบาปด้วยความกลัวดวงวิญญาณของเราก็จะมีแต่ความกลัวฝังอยู่ในใจหวาดกลัวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาดวงวิญญาณชนิดนี้เราก็เรียกว่าเอาศูนย์าะกายส่วนดวงวิญญาณที่ <c oughs> ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมตาต่อตาฟันต่อฟันดวงวิญญาณพวกนี้เราเรียกว่านารกเพราะจิตใจร้อนด้วยไฟนรกร้อนด้วยความอาฆาตพยาบาทเวลาใครเขาทำอะไรให้เราไม่พอใจนี่เราจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเราจะคิดล้างแค้นเราจะ หายจากการกินไม่ได้นอนไม่หลับต่อเมื่อเราได้ไปร่างแค้นได้ไปทำลายได้ไปตอบโต้เาัาอันนี้ก็จะทำให้เวลาเราตายไปดวงวิญญาณของเราก็จะเป็นนรกขึ้นมาส่วนดวงวิญญาณอีกชนิดหนึ่งที่ทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปคือพวกที่ทำบาปเพื่อเลี้ยงชีพ ทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลี้ยงชีพเขาคิดว่าเป็นเรื่องการเอายตัวอยู่รอดเช่นทำมาอาชีพฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายทำบาปเหล่านี้เขาคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องทำกันในการที่จะอยู่รอดเป็นชาวประมงจับปลามาฆ่ามาขาย ขายเป็ดขายไก่ขายสิ่งที่มีชีวิตต่างๆเพื่อเอาไปฆ่านี่เป็นการกระทำบาปด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปพวกนี้ก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานดวงวิญญาณิพวกนี้พอร่างกายตายไปก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานเพราะจะอยู่แบบสัตว์เดรัจฉานอยู่นั่นเอง สัตว์เดรัจฉานเขาก็อยู่ด้วยการทำบาปกันสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยกันมนุษย์ที่ทำอาชีพแบบเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นเดียวกันนี่คือ <c oughs> สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของพวกเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามมันเป็นความจริงที่คนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้า ได้ส่งค้นพบเล่านํามาสอนมาบอกพวกเราถ้าพวกเราเชื่อแล้วพวกเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนเราจะได้รู้ความจริงอันนี้ต่อไปหลังจากที่เราทําตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนแล้วใจของเรานี้จะเริ่มเห็นความจริงต่างๆที่เรามองไม่เห็นกันในตอนนี้ะ เพราะตอนนี้ใจของเราขาดปัญญาปัญญาที่จะมาทำให้เราเห็นความจริงของตัวเราว่าเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตเป็นใจเป็นดวงวิญญาณที่ล่องไปในสังสารวัฏคือในไตพภพภพที่เราล่องลอยกันอยู่นี้มีสามภพด้วยกันเรียกว่าไตรภพคือหนึ่งกามภพ พบของผู้ที่เสพกามอย่างพวกเรานี้เรียกว่ากามมาพบพวกเรายังเสพรูปเสียงกลิ่นลดกันอยู่ส่วนพบที่สองเรียกว่ารูประพบพวกนี้เขาเสพรูปประชานคือความสงบคือสมาธิได้ แ, แก่พวกที่ถือศีลแปดนั่งสมาธิกันแล้วเข้าเข้าฌานในระดับรูปประชานได้เขาก็ไม่เสพกามกัน เขาก็จะไปเสพความสงบในระดับรูปฌปานพวกนี้ดวงวิญญาณเวลาร่างกายตายไปก็จะไปอยู่ในรูปภพคือภพของพรหมที่เป็นภพที่มีความสุขมากกว่าภพของเทพของมนุษย์แล้วพวกที่สามนี้เป็นพวกที่เสบรูปฌปาน คือพวกที่สามารถนั่งสมาธิเข้าชานในระดับอรูปปฌานที่สงบมากกว่าชาญในระดับรูปฌานคือชานนี้มีอยู่มีอยู่สองส่วนส่วนที่เป็นรูปฌปานกับอรูปฌปานรูปฌปานก็มีสี่สี่ขั้นรูปฌปานหนึ่งรูปฌปานสองรูปฌปานสามรูปฌปานสี่ ผู้ที่ได้รูปฌปานสีหนึ่งถึงสี่ก็จะไปเกิดในในรูปภปพนะครับภพที่ไม่ต้องเสพรูปเสียงกลิ่นลดเสพความสงบของฌานส่วนพวกที่ได้อารูปฌปานก็จะไปอยู่ในอรูปภปพภ พ, พที่มีความสุขมากกว่าภพของรู ป, ป ร, รูปภพนะพรบพอได้อารูปฌปานสี นี่คือดวงวิญญาณของพวกเราที่เราสามารถที่จะเลือกไปอยู่ในภพไหนก็ได้เราเลือกได้ตอนที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยตอนที่เราตายไปเราเลือกไม่ได้เพราะตอนที่เราตายไปนี่เป็นตอนที่เราไปรับผลของการกระทำของเราเหมือนกับเราสั่งอาหารเราสั่งได้ตอนที่มีคนเสิร์ฟมาถามว่าจะรับประทานอะไร พอเราสั่งเสร็จแล้วเราเปลี่ยนใจไม่ได้นะเขาก็จะไปทำอาหารที่เราสั่งมาให้เรารับประทานฉันใดถ้าเราเลือกจะเกิดในกามมาพบเราก็ยังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันอยู่ในกามมาพบนี้ก็มีอยู่สองซีกจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแบบทุกข์หรือแบบสุขก็ได้ ถ้าจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิก่นรสแบบสุขก็ต้องไม่ทำบาปทำแต่บุญก็จะได้เป็นเทวดาถ้าหาความสุขจากการทำบาปก็จะได้ไปในซี่ของอบายเป็นดวงวิญญาณอยู่ในซี่ของอบายเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขเสบรูปเสียงกลิ่นรสด้วยความทุกข์ วิธีที่พวกดวงวิญญาณนี้เขาเสพสุขเสพทุกข์เขาเสพอย่างไรเขาเสพเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับนี่แหละเวลาเรานอนหลับเราเสพสุขเสพทุกข์อย่างไรเราก็เสพตอนจากความฝันไม่ใช่เหรอนังทีเราก็ฝันดีบางทีเราก็ฝันร้ายนั่นแหละเป็นวิธีที่ดวงวิญญาณเวลาที่ไม่มีร่างกายจะเสพสุขเสพทุกข์กันเขาเสพด้วยความฝันกัน แต่เขาไม่รู้ว่าเขาอยู่ในความฝันอยู่ในโลกของความฝันเพราะตอนที่เราฝันเราไม่รู้ว่าเราฝันกันใช่ไหมเราคิดว่าเป็นเรื่องจริงเป็นความจริงเราจะมารู้ก็ตอนที่เราตื่นขึ้นมาแล้วว่าโอเมื่อกี้นี้ฝันดีนะเมื่อกี้นี้ฝันร้ายอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเรานอนหลับมันก็เหมือนกับเราตายชั่วคราวตายแปดชั่วโมงแต่เวลา ร่างกายตายจริงๆนี้เราตายยาวตายไปไม่รู้กี่ปีก่อจะได้กลับมาเกิดมาตื่นขึ้นมาใหม่มาตื่นก็ตอนที่เราได้ร่างกายอันใหม่ตอนที่คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วก็เราลืมตาขึ้นมาแล้วก็ร้องนะตอนนั้นเราตื่นแต่เราตื่นด้วยร่างกายอันใหม่ร่างกายอันเก่านี้เราทิ้งมันไปเพราะว่ามันไม่สามารถทำหน้าที่ได้แล้ว มันไม่มีความสามารถที่จะตอบสนองคำสั่งของเราได้เราก็เลยทิ้งมันช่วงที่เราไปรอรับร่างกายอันใหม่ก็เป็นช่วงที่เราจะอยู่ในโลกของความฝันเราจะฝันดีก็ขึ้นอยู่กับบุญที่เราทำไว้เราฝันลายก็ขึ้นอยู่กับบาปที่เราทำไว้เวลาที่เราฝันดีดวงวิญญาณเราก็เรียกว่าเป็นพวกเทวดา เวลาที่เราฝันร้ายดวงวิญญาณก็จะเป็นพวกเปรตพวกกสุลกายพวกนลกไปนี่แหละคือเรื่องราวของพวกเราที่พวกเราจะไม่มีวันรู้กันถ้าเราไม่ได้มาศึกษาจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ถ้าเราไปศึกษาตามสถาบันการศึกษาต่างๆในโลกนี้จะไม่มีใครรู้เรื่องราวเหล่านี้ เขาจึงไม่มีวิชาเหล่านี้มาสอนพวกเราเขาจะสอนแต่เรื่องที่เขารู้ที่เคยเห็นด้วยตาเดิมเขาสัมผัสได้ด้วยหูจมูกเขาก็จะสอนวิชาที่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่แต่วิชาที่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจนี้ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระอริยสงฆ์เท่านั้นที่รู้เรื่องราวเหล่านี้แะ ผู้ที่รู้เรื่องราวเหล่านี้ได้เป็นคนแรกก็คือพระพุทธเจ้าของพวกเหล่านี <Volt> ้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ท่งค้นพบเรื่องราวของจิตใจของพวกเราเรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจของพวกเราพวกเราจะไม่รู้เลยว่าเราเป็นจิตใจไม่รู้เลยว่าเราเป็นร่างกายเราก็จะคิดว่าเราเป็นร่างกาย แล้วเราก็จะคิดว่าพอร่างกายตายไปเราก็จบชีวิตเราก็สิ้นสุดลงเราจะไม่ไปไหนต่อเราก็จะไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องของการเวียนว่าตายเกิดเพราะเราเห็นเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นแล้วเราก็คิดว่าความคิดความความคิดความรู้นี้อยู่ในร่างกายเช่นหมอหรือนักศึกษาแพทย์หรือนักพยาศาสตร์เขาสรุปเลยว่า ผู้รู้ผู้คิดนี้อยู่ในสมองแต่นี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบคนที่จะพบผู้รู้ผู้คิดได้นี้ต้องใช้วิธีการนั่งดูภายในที่เรียกว่านั่งสมาธิถึงจะเห็นตัวผู้รู้ผู้คิดได้ต้องนั่งสมาธินั่งหลับตาปิดตานอกแล้วถึงจะเปิดตาในได้ เหมือนเวลาเราจะดูภาพยนตร์นี่เราต้องปิดไฟใช่ไหในโรงภาพยนตร์เขาต้องปิดไฟแล้วเขาถึงจะเปิดฉา้าแสงของภาพยนตร์ไปบนจอได้เราถึงจะเห็นภาพยนตร์แต่ถ้าเปิดไฟไว้มันก็จะมองไม่เห็นมองไม่ชัดฉันใดจิตใจของพวกเรานี่จะเห็นเราจะเห็นตัวของเราได้เห็นจิตใจของเราผู้รู้ผู้คิดได้เราต้องนั่งสมาธิ เราต้องเข้าฌานเข้าสมาธิกันเราถึงจะเห็นว่าร่างกายกับผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นคนละส่วนกันเพราะเวลานั่งสมาธินี้เราจะถอนกระแสของวิญญาณที่มาเกาะติดกับร่างกายให้กลับเข้ามาที่ใจนั่นเองโดยการใช้สติดึงความ รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่มาเกาะติดกับตาหูจมูกเน้นกายนี้ให้ดึงกลับเข้าไปข้างในใจนะเช่นเราใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธนี่เป็นการดึงใจเราให้กลับเข้าไปข้างในเพราะว่าใจของเรานี่ชอบออกมาข้างนอกด้วยกระแสของความคิดคิดเวลาเราคิดเรามักจะคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่าง วันนี้จะไปดูอะไรดีจะไปฟังอะไรได้จะไปกินอะไรดีไปดื่มอะไรดีความคิดของเราจะวนเวียนอยู่กับรูปสิการหารูปเสียงกลิ่นรสตลอดเวลามันก็จะดึงจิตให้มาเกาะติดอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ตลอดเวลาแต่พอเวลาเรานั่งสมาธิเราจะใช้พุทโธพุทโธี้ดันกระแสของความคิดให้หยุดหยุดกระแสของความคิด พอกระแสของความคิดหยุดการรับรู้ที่มารับรู้ที่ตาหูจมูกนิ้กายก็จะหดเข้าไปในใจอพอหดเข้าไปการรับรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสรู้เรื่องของร่างกายก็จะหายไปก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อนี่ผู้รู้ผู้คิดกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกัน มาเชื่อมต่อกันตอนที่ผู้รู้ผู้คิดนี้ส่งกระแสความคิดความอยากรู้เรื่องราวต่างๆมาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้นกายนั่นเองอันนี้แหละเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าและผู้ที่ฝึกสมาธิทั้งหลายจะพิสูจน์ได้ว่าจิตใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกัน แต่ยังไม่มีใครรู้ว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้จิตใจกับร่างกายนี้ไม่ต้องกลับมาเกาะติดกันอีกจิตใจกับร่างกายนี้ถึงแม้ว่าจะแยกกันเดี๋ยวก็จะกลับมาเกาะติดกันอีกตอนนี้ร่างสมมติว่าถ้าตอนนี้ร่างกายเราตายไปจิตใจก็จะแยกออกจากร่างกายอันนี้แต่เดี๋ยวมันก็กลับมาเกาะร่างติดกับร่างกายอันใหม่อีกไม่มีใครรู้ว่า อะไรเป็นเหตุที่ทำให้มันต้องกลับมาเกาะติดกับร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆคือกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆนั่นเองทำไมเราจึงต้องกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าที่ฉลาดส่งนั่งพิจารณาส่งเปรียบเทียบก็ส่งคนพบว่าไอ้ตัวที่ดึงให้เรากลับมาเกาะติดกับร่างกายอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากของเรานี่เอง ความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จําเป็นที่จะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายนี้เองพอเวลาไม่มีร่างกายมันก็เหมือนคนที่เวลาสูบบุหรี่เวลาบุหรี่หมดจะทำอย่างไรก็ต้องไปซื้อบุหรี่ซองใหม่มาสูบกนที่ติดกาแฟทอยังไงเวลากาแฟแก้วนี้หมดจะทำงไงก็ต้องไปซื้อแก้วใหม่ใช่ไหมกคนที่ติดภาพยน เวลาภาพยนตร์ดูภาพยนตร์เรื่องนี้จบแล้วก็อยากจะดูภาพยนตร์เรื่องใหม่ก็ต้องไปหาเรื่องใหม่มาดูนะอันนี้ก็เหมือนกันจิตใจของพวกเราติดร่างกายติดรูปเสียงกลิ่นรสที่จะเข้ามาทางหูตาหูจมูกลิ้นกายจิตใจมันก็เลยคอยหาร่างกายอันใหม่อย่เรื่อยๆพอร่างกายอันนี้ตายไปมันก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ แต่ก่อนมันจะไปได้มันต้องผ่านประตูบาปประตูบุญก่อนต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนพอผ่านประตูบุญประตูบาปได้แล้วถึงจะไปรอรับร่างกายอันใหม่แล้วก็ไปเกิดใหม่ได้ร่างกายอันใหม่ก็เกิดใหม่ พอเกิดแล้วก็มาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆใหม่อย่างที่พวกเราหากันเนี่ยไม่ต้องเราไม่ต้องมีใครสอนเลยใช่ไหมเรื่องการหาความสุขแบบนี้มีแต่ย่อต้องคอยถูกข้ามอยู่เรื่อยๆพ่อแม่นี้คอยห้ามตอนที่เราเป็นเด็กว่าอย่าอย่าชิงสุขก่อนหามนะอย่าหาความสุขมากเกินกว่าที่เราจ ะ, ะรับได้น ะ, ะความสุขบางอย่างมันมีภาระมีความรับผิดชอบ เช่นการไปร่วมหลับนอนกันนี่ถ้าตัวเรายัางเลี้ยงตัวเราเองไม่ได้เดี๋ยวเกิดไปตั้งท้องมีลูกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะลำบากนะ อ, อันนี้ไม่ต้องมีใครสอนใช่ไหม เรื่องการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่พ่อแม่ไม่ต้องสอนเราพ่อแม่ไม่บอกหนูไปหาอะไรมากินมาดื่มเเราไปหามาเองนะดีไมด่ดีไปขโมยมาพ่อแม่รู้ถึงจะต้องมาห้ามในภายหลังว่าทําอย่างนี้ไม่ได้อย่าไปขโมยของเขามาเนี่ยเพราะมันมันเป็นสิ่งที่ติดมากับดวงวิญญาณของเราคือความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่ไอความอยากตัวนี้แหละที่เป็นตัว ที่พาให้พวกเราต้องมาเกาะติดกับร่างกายอยู่เรื่อยๆแล้วพอมาติดกับร่างกายนอกจากจะได้ความสุขแต่มันก็ได้ความทุกข์มาด้วยเวลามีร่างกายก็ต้องคอยเลี้ยงดูมันวันแต่ละวันนี่ปากกัดตีนถีบกันดื่นลนหาเงินหาทองหาปัจจัยสี่หาข้าวหาที่อยู่หาอะไรเครื่องใช้ไม่สอยอะไรต่างๆ พอหาพอแล้วก็ไปหาของตามความอยากอีกหาของต่างๆที่อยากได้อยากซื้ออยากมีแล้วก็ไปเที่ยวไปหาความสุขในต่างๆกันแล้วก็ต้องไปเสี่ยงภัยกับสถานการณ์ต่างๆบางทีก็ไปเจออุบัติภัยอุบัติเหตุบางทีบางทีก็ไปเจอกับ บุคคลที่ไม่ไม่ไม่ดีที่จะมาทำร้ายทาร้ายร่างกายของเราได้ดฉงนั้นชีวิตของการมีร่างกายนี้ไม่ใช่จะมีแต่เพียงแต่ความสุขเนี่ยมันมีความทุกข์ตามมาด้วยจึงมีการร้องหืมร้องห่มร้องไห้กันตลอดเวลาชีวิตนี้ถ้ามองจริงๆแล้วความสุขที่เราหาได้นี้มันน้อยกว่าความทุกข์ แต่ถ้าเราไม่มาจดบัญชีมาคิดดูเราก็จะไม่ไม่คิดกันจะมาคิดก็ตอนที่มันสายไปเสียแล้วตอนที่มันเป็นอะไรมากๆตอนที่ร่างกายเป็นโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเป็นพิกลพิการขึ้นมาเป็นอะไรที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะทำอะไรตามที่เราอยากทำได้ตอนนั้นมันก็จะมีเวลาคิด แต่มันก็จะสายเกินไปมันก็จะไม่รู้วิธีว่าจะแก้ปัญหาคือความทุกข์ที่เจอได้อย่างไรบางทีทนไม่ไหวก็แก้โดยวิธีฆ่าตัวตายกันแต่การฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพราะว่าฆ่าตัวตายมันก็ไปเกิดใหม่อยู่เหมือนกันเหมือนเดิมแล้วมันก็จะมีปัญหาตามไปด้วยคือนิสัยฆ่าตัวตายก็จะติดตัวไปด้วย พอไปเกิดชาติหน้าพอไปเจอปัญหาที่แก้ไม่เป็นก็จะฆ่าตัวตายกันอีกอันนี้แหละคือความทุกข์ที่เกิดจากการที่เรามาเกิดกั น, น, นเกิดแล้วก็ต้องแก่เวลาแก่ น, นี้ดีไม่ดีสุขหรือสุขหรืทุกข์กันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยสุขหรือทุกข์กันเวลาจะตายนี้สุขหรือทุกข์กันอันนี้แหละเป็น เป็นสิ่งที่น่ากลัวสําหรับการกลับมาเกิดกันเ <Yeah. S 1> เนี่ยยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงทรงพิจารณาทรงเห็นว่าการมาเกิดนี้เป็นทุกข์และไม่ต้องการที่จะให้ดวงวิญญาณของท่านมาเกาะติดกับร่างกายในยุคที่ท่านศึกษาปฏิบัติกับผู้อื่นก็ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทําให้จิตใจแยกออกจากร่างกายได้อย่างถาวร รู้แต่วิธีแยกกันชั่วคราวเช่นเวลานั่งสมาธิเข้าฌานเราก็แยกจิตใจออกจากร่างกายได้ชั่วคราวตอนที่แยกออกจากกันได้นั้นตอนนั้นจิตใจสบายอยู่ในความสงบเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแต่พอจิตใจกลับมาเกาะติดกับร่างกายก็กลับมาหุ่นวายกับเรื่องของร่างกายวุ่นวายกับเรื่องของคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ พระพุทธเจ้าอยากจะรู้ว่าวิธีทําอย่างไรที่จะทําให้ไม่ต้องกลับมาเกาะติดกับร่างกายอย่างถาวรเมื่อไม่มีใครรู้พระองค์ก็เลยต้องไปค้นคว้าด้วยตนเองจนในที่สุดก็ทรงตัดจะรู้ว่าเหตุที่พาให้จิตใจต้องกลับมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากนี้เองความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส ความอยากได้ลาบยศสรรเสริญความอยากไม่สูญเสียสิ่งที่ได้มาคือลาบยศสรรเสริญสุขไปนั่นเองที่ทําให้เราต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายอันใหม่พอมีร่างกายก็ต้องมาทุกข์อย่างที่พวกเราทุกข์กันอยู่ในปัจจุบันและจะทุกข์ต่อไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงวันตายถ้าเราไม่คิดเราจะไม่รู้ แต่ถ้าเราคิดแล้วเราจะรู้สึกว่าการมาเกิดนี้น่าหวาดเสียวมันไม่น่าพึงปรานาเพราะมีความทุกข์รอเราอยู่ข้างหน้ากันทุกคนพระพุทธเจ้าก็ไม่อยากจะกลับมาเกิดเพราะพระองค์ทรงเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายที่พระองค์ไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อก่อนทรงคิดว่าจะเป็นหนุ่มไปตลอด พอออกไปนอกพระราชวังไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเขาก็ตกใจไม่เชื่อไม่คิดว่าต่อไปร่างกายของพระ อ, องค์ก็จะต้องแก่เจ็บตายเพราะเวลาที่อยู่ในวังนี้ไม่มีคนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวังพระราชาบิดาห้ามไม่ให้คนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวังไม่อยากให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็นอนาคตของตัวของเจ้าชายสิทธัตถะเอง เพราะถ้าเห็นแล้วจะทำให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถนี้จะไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะอยู่เป็นกษัตริย์เป็นมหาจากักรพรรดิกลัวว่าจะออกบวชเพราะคนที่เห็นความแก่ความเจ็บความตายเราอยากจะแก้ปัญหานี้ก็จะต้องใช้วิธีการออกบวชเท่านั้นถึงจะค้นพบถึงจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ พ ร, พระราชบิดาไม่ต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชตามคําทํานายของโหนโหนโหนี้ตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะเกิดมาใหม่ๆพระราชบิดาได้เชิญโหนมาทํานายอนาคตของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะโหนหลายคนก็สรุปว่ามีสองทางด้วยกัน ถ้าอยู่เป็นคาลวาสอยู่ครองราดก็จะเป็นมหาจากักรพรรดิจะสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ไพศาลให้แก่ราชวงศ์แต่ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระอรหันต์ตระส ม, มาสัมพุทธเจ้ามีโหรเพียงรูปเดียวที่ทำนายว่ามีทางเดียวเท่านั้นคือจะต้องไปเป็นพระพุทธเจ้าพอพระราชบิดาได้ยินได้ฟังอย่างนี้ก็ก็เกิดความกังวลเกิดความวิตก ไม่อยากให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็นความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายกลัวว่าจะหนีออกไปบวชก็เลยพยายามห้อมล้อมเจ้าชายสิทธัตถะด้วยคนหนุ่มคนสาวคนที่มีความสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีความร่าเริงเบิกบานไม่ต้องการให้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเพราะกลัวจะทําให้เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจ แล้วอาจจะคิดออกบวชเพื่อหาวิธีแก้ปัญหานี้แต่ห้ามยังไงก็ห้ามไม่อยู่วันหนึ่งความอยากรู้อยากเห็นก็ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะต้องลักลอบออกไปนอกวังเพื่อไปดูว่านอกกําแพงวังมีอะไรบ้างก็เลยไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นนักบวชก็เลยได้ข้อสรุปว่าต่อไปต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ถ้าอยากจะแก้ปัญหาความแก่ความเจ็บความตายนี้ต้องไปเป็นนักบวชกันถึงจะแก้ได้ก็เลยตัดสินใจพอได้ข่าวว่าภรรยาคลอดลูกออกมาก็อุทานว่าลาหุนราหุนแปลว่าบ่วงบ่วงได้เกิดขึ้นกับใจขอ ง, ของเจ้าชายสิทธัตถะแล้วถ้าอยู่ก็จะถูกบ่วงนั้นลัด เพราะความรักลูกจะทำให้ทอดทิ้งลูกไม่ได้นั่นเองก็เลยไม่ยอมไปดูหน้าตาของลูกตัดสินใจหนีออกจากวังไปในคืนนั้นเลยเพื่อที่จะไปศึกษาไปค้นคว้าหาวิธีว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็ได้ศึกษาไปจนกระทั่งได้รู้วิธีแยก จิตใจออกจากร่างกายชั่วคราวแต่ไม่มีใครรู้วิธีที่จะแยกแบบถาวรพระองค์ก็เลยทรงต้องค้นคว้าด้วยตนเองจนในที่สุดก็ทรงค้นพบเหตุที่ดึงให้จิตใจมาเกาะติดกับร่างกายอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากนี้เองความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายก็ต้องมีร่างกายถ้าไม่อยากจะ กลับมาก็ต้องตัดความอยากเหล่านี้ออกไปวิธีจะตัดความอยากก็ต้องเห็นเห็นพิษภัยของการทำตามความอยากถ้าทำตามความอยากก็จะต้องกลับมาเกิดแก่เ จ, จ็บตายถ้าไม่ทำตามความอยากก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายจะเอาอย่างไหนพระองค์ก็ตัดสินใจจะเอาอย่างไม่กลับมาเกิดดีกว่ากลับมาเกิดแล้วก็ต้องมาทุกข์ซ้าแล้วซ้าอีกไม่รู้กี่ร้อยรอบกี่แสนรอบ พวกเรามาเปลี่ยนร่างกายกันนี้ไม่รู้กี่แสนล้านร่างกายแล้วแล้วก็จะเปลี่ยนร่างกายอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดพระพุทธเจ้าตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วพอเกิดความอยากก็ฝืนเหมือนไม่ทําตามมันอยากดูก็ไม่ดูอยากฟังก็ไม่ฟังใช้การสติใช้กําลังใจนึกสู้กับมันฝึกสมาธิถ้ามีสมาธิก็จะมีกําลังฝืนความอยากสู้ความอยากได้ จนในที่สุดพระองค์ก็ชนะความอยากทําให้จิตของพระองค์นี้ไม่ต้องการมีร่างกายอีกต่อไปไม่ยึดติดกับร่างกายอีกต่อไปร่างกายที่มีก็ไม่ทุกข์กับมันเวลามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ไม่ทุกข์เพราะไม่ต้องิตไม่ต้องการมั น, มนแล้วไม่ต้องอาศัยมันมันจะเป็นจะตายอย่างไรไม่เดือดร้อนเพราะใจนี้มีความสุขในตัวของมันเองความสุขที่เกิดจากการ ชนะความอยากนี่นี่แหละ <c oughs> คือเรื่องราวของพวกเราที่พวกเราไม่รู้กันมาก่อนเราจะมารู้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าการที่เราจะได้ยินได้ฟังเราก็ต้องมีวันพระกันเพราะว่าพระพุทธเจ้ารู้ว่าถ้าไม่มีวันพระพวกเราก็ไม่ยอมเข้าวัดกันเลยต้องบังคับ กำหนดวันพระขึ้นมาเอวันพระนี่เป็นวันที่พระเจ้าทรงกําหนดขึ้นมาเองเพราะรู้ว่าถ้าไม่มีวันพระพวกเราจะไม่ยอมเข้าวัดกันเมื่อไม่เข้าวัดก็ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมก็จะไม่รู้เรื่องราวของพวกเราไม่รู้ว่าพวกเรานี้กําลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ในกองทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายแต่พอมีวันพระแล้วก็มีมีสิ่งที่ล่อใจว่ามาทําบุญแล้วจะได้ไปสวรรค์ฮะ จะได้มีความสุขก็เลยทำให้เรายอมเข้าวัดกันพอเข้าวัดก็เลยได้ยินว่านอกจากไปสวรรค์แล้วยังไปนิพพานได้อีกด้วยคือไปแบบไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอย่างที่ท่านได้ยินได้ฟังกันในวันนี้ดังนั้นการได้ฟังในวันนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นสิ่งที่เพียงพอเพราะถ้าท่านกลับไปบ้านเดี๋ยวก็ลืมได้ฉั้นต้องพยายามฟังบ่อย ไปทําการบ้านเนหะือเรียนหนังสือลองเรียนเวลาเขาให้เด็กมาเรียนหนังสือพอกลับบ้านเขารู้ว่าเดี๋ยวเด็กมันต้องไปเล่นกันก็เลยให้เอาการบ้านติดตัวไปด้วยเพื่อจะได้ไปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนั้นในวันนี้ท่านก็ได้เรียนแล้วสิ่งที่ท่านควรจะเอาไปทําต่อไปก็เอาไปทบทวนกลับไปเปิดดูใหมให่เดี๋ยวนี้มีการบันทึกภาพบันทึกเสียงไว้ให้ดูได้ตลอดเวลาไม่ควรจะฟังครั้งเดียว ควรจะฟังซ้ำๆหลายๆครั้งบ่อยๆแล้วความรู้มันจะได้ฝังอยู่ในใจเราถ้าเราไม่ฟังเดี๋ยวเรากลับไปทําเรื่องนูน่เรื่องนี้ความรู้ที่เราได้รับในวันนี้ก็จะถูกกลบไปหมดหายไปหมดนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับและ ว, วิธีที่จะรักษาประโยชน์ก็คือเราควรจะไปทําการบ้านกันต่อจนถึงวันพระวันหน้าก็กลับมาเรียนใหม่ เราเรียนเพิ่มเติมเรียนไปเรื่อยๆเพราะมีเรื่องราวที่เราจะต้องเรียนรู้กันอีกมากในวิทย์ในบวนการที่จะทำให้เราสามารถแยกจิตใจของเราออกจากร่างกายได้อย่างถาวรจึงขอให้ท่านให้ความสาคัญต่อการศึกษาพรารรมคำสั่งคาสอนเพราะจะทำให้ท่านมีความรู้ที่จะทำให้ท่านหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้นั่นเอง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 เอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปปักปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปะเมวาสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปะนาหะราโสยะธามณิชติราโสยะธาสัพพิติโยิวห์จันโต สัพพโรโขเวนะสตุ์มเตภาวะตวันตรายูสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนศีลสานิจจังวุธาปจายโนจตารโหธมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลา ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคําถามใครมีคําถามอยากจะถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่อย่าถามหลังจากที่เราเลิกประชุมกันแล้วอพอจะขอยุดติดถามได้ในช่วงนี้ไม่มีหลังใหม่ วันนี้ผู้ติดตามมีประมาณเท่าไหร่ได้ข่าวว่าล่มไหมทั้งสองเครื่องไหมคะฟีสบุ๊กอง้อยสี่สิบค่ะ y o u t u ห้าสิบวิทยุออนไลน์ยี่สิบห้ารับฟังบนข่าวหนึ่งรอยี่สิเอ็ดรวมสี่ร้อยสามสิบหกค่ะวันนี้ข้างบนก็ฝนตกทางบ้านก็การสื่อสารขาดตอนเลยทำให้ ปริมาณของผู้ติดตามชมติดตามฟังลดลงไปหลายร้อยคนด้วยกันแต่เราก็ไม่ได้กังวลกับเรื่องปริมาณเรากังวลกับคุณภาพอขอให้มีคนฟังคนหนึ่งได้ประโยชน์เราก็พอใจแนละ้วใครมีดวงตาเห็นธรรมวันนี้ดับความทุกข์ในใจได้ก็ถือว่าทำหน้าที่ของเราแล้ว งั้นก็ถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้กราบนมัส ก, การเจ้าค่ะตอนนี้โยมคือมีเพื่อนเป็นมะเร็งอยู่สองคนแล้วคือโยมก็ยังอยู่ในขั้นทำการบ้านอยู่ยังไม่ได้ เออได้ข้อสอบอะไรเลยทีนี้ก็เหมือนกับดูแลเอาใจเพื่อนอยู่แต่ว่าไม่กล้าพูดตรงๆอย่างที่แบบเหมือนพระอาจารย์สอนว่าคือตัวเรามันไม่ใช่ของเราอีกหน่อยมันก็ตายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยบอกว่าอย่างเมื่อเช้าเขาก็ไลน์มาโยมก็บอกโยมจะไปกราบพระอาจารย์แล้วแต่แล้วเขาก็บอกว่าเออเขาจะวางแผนกับการที่เขาเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยนะคะโยมก็เลยคือคือก็รู้แต่ก็ไม่อยากคือไม่กล้าพูดเต็มเต็มลงไปว่า ให้ตูกายหรือดูอะไรยนไม่ใช่ของเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ว่าเขาอยู่ในระดับไหนสติปัญญาเขาอยู่ในระดับไหนถ้าเขารับไม่ได้พูดไปก็เสียเวลาเปล่าๆเจ้าค่ะก็ให้เขาฝึกสติไปก่อนจะดีกว่าให้เขาหยุดหยุดคิดถึงเรื่องความเจ็บใข้ได้ป่วยของร่างกายก ค, คิดให้น้อยที่สุดเจ้าค่ะก็ให้จิตใจสงบถ้าจิตใจสงบสบายแล้วมันก็จะไม่ค่อย ก, กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเจ้าค่ะโยมก็บอกเข้าไปแบบนี้แต่ก็บอกอบอกว่าอย่างที่พระอาจารย์สอนเพราะโยมก็คือโยมก็ยังไม่ได้ตรงนั้นถ้าอยากจะสบายอย่างถาวรก็คือต้องเห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราของเราเจ้าค่ะก็ต้องดูจุดเริ่มต้นของร่างกายว่ามันมาจากาใครเจ้าค่ะ ม, มันก็มาจากพ่อแม่มาจากดินน้ำลมไฟที่พ่อแม่เติมให้เจ้าค่ะแล้วเดี๋ยวเวลาตายไปมันก็กลับไปสู่ดินน้ำลมไฟ ใจเราเป็นเพลงแต่ผู้รู้ผู้คิดที่มามามารับเป็นสมบัติชั่วคราวเท่านั้นเองเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งคือคืออยาบอกเขาตรงๆอย่างนี้แต่กลัวเขารับไม่ได้ก็ลองพูดมันรับไม่ได้ก็เรื่องของเขาอย่างนั้เขาพูดอะไรก็ฟังว่าเนี่อาจารย์เขาสอนอย่างนี้จ้ะค่ ะ, อะเออเเขาฟังแล้วเข้าใจเขาก็อาจจะปล่อยวางได้จค่ะ อย่าไปกดดันเขาอย่าไปบังคับเขาให้เชื่อจ้าถามเขาว่าอยากจะฟังไม่ว่าอาจารย์เขาพูดเกี่ยวกับร่างกายว่าเป็นยังไงถ้าอยากจะฟังก็จะเล่าให้ฟังจ้จาช่วยส่งกลับไปหน่อยคำถามฝากถามคะ่ะความกระตันยูและความอากตันยูคืออะไรเจ้าคะการที่เราไม่ได้ตอบแทนผู้ที่มีพระคุณต่อเรา ถือว่าอากักตันยูหรือไม่เช่นขออนาตครับอารย์เยช่นอาของเราที่เคยช่วยเหลือให้เงินเป็นทุนการศึกษาแต่เราไม่ได้ช่วยเหลืออาเวลาที่อาขอให้เราช่วยกู้เงินอาให้เราขอเครดิตธนาคารให้เราตั้งใจที่จะไม่กู้ให้อาเพราะเรามีความจําเป็นเนื่องจากมีหนี้อยู่แล้วถ้าหากอากู้ได้และไม่ผ่อนใช้เราก็จะลําบาก จึงตัดสินใจไม่ไม่กู้ให้แบบนี้เรียกว่าอักตัญยูต่อผู้มีพระคุณหรือเปล่าคะคือว่ากตันยูก็คือความสํานึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณกับเราใครเขาทาอะไรช่วยเหลือเราเราก็นํานึกถึงบุญคุณของเขาแล้วถ้ามีโอกาสที่เราจะทดแทนบุญคุณได้เราก็ทดแทนเรียกว่ากะตะเวทีกตันยูกะตะเวทีมีสองส่วน การรับการสำนึกมีความสำนึกในบุญคุณของผู้อื่นเรียกว่ากระตันอยู่กระตาเวทีคือการทดแทนบุญคุณของให้แก่ผู้อื่นนี่กระตาเวทีนี้บางทีมันก็ทำได้บางทีก็ทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในมีความสามารถที่จะทำได้หรือไม่สองสิ่งที่เราต้องทำมันผิดด้วอถูกหรือไม่ด้วยถ้า เป็นการตอบแทนนู่คุณแบบที่ต้องทำบาปอย่างนี้ก็ทำไม่ได้หรือทำในสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้แต่ในกรณีนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะลงอย่างไงดีเพราะว่าเราทำได้แต่เราอาจจ ะ, ะไม่ยอมไปรับผิดชอบไม่คิดถึงเวลาที่เขาช่วยเราเขาก็ยินดีรับผิดชอบในการเดือดร้อนของเรา ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของบุญของบุญคุณของเขาว่าเขามีบุญคุณกับเรามากกับสิ่งที่เขาขอคืนหรือไม่ถ้ามันเท่ากันหรือสิ่งที่เขาขอคืนมันน้อยกว่าบุญคุณที่ให้เราเราบางทีถ้าต้องการทดแทนบุญคุณก็ทำไปถ้าจำเป็นถ้าเกิดเขาเป็นหนี้แล้วเขาไม่จ่ายแล้วเราต้องเป็นผู้รับจ่ายก็จ่ายไปถ้าติดคุกก็ยอมติดคุกไป อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะให้น้ำหนักตรงไหนการเป็นผู้มีความกรตันอยู่กระตเวทีนี้เป็นคุณสมบัติของคนที่ดีเป็นคนที่น่าชื่นชมยกย่องนั้นก็อยู่ที่เราจะเลือกเอาว่าเราจะเอาเงินดีหรือว่าจะเอาคุณธรรมดีในใจเราก็อยู่ที่การตัดสินใจ อีกคำถามค่ะอั ต, ตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราใช้หลักธรรมข้อนี้ในการดำเนินชีวิตทำให้เราพยายามพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดพยายามจัดการชีวิตจัดการปัญหาต่างๆด้วยตัวเองในทางกลับกันเรากลายเป็นคนที่ไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือเวลาญาติพี่น้องมีปัญหาเพราะเราเชื่อว่าถึงจะช่วยอย่างไรปัญหาต่างๆ ก็ยังต้องมีอยู่เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้เราไม่อยากรับรู้ไม่อยากรับฟังปัญหาอย่างนี้เห็นแก่ตัวไปหรือเปล่าคะคนเห็นแก่ตัวนี่บาปไหมเจ้าคะคนเห็นแก่ตัวก็ไม่บาปแต่จะไม่มีเพื่อนนั้นไม่มีบุญคนที่เห็นแก่ตัวก็จะยอมเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นถึงแม้ว่าตนเองจะเดือดร้อนบ้างจะลาบากบ้าง แต่ช่วยเหลือให้ผู้อื่นเขาสบายให้เขาบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนฮะมันก็เป็นการกระทําที่ดีกว่าไม่กระทํานะแต่ไม่ทําก็ไม่บาปแต่ถ้าไม่ทําก็ไม่ได้บุญถ้าทําก็จะได้บุญมันไม่เกี่ยวกับเรื่องบาปเรื่องความเห็นแก่ตัวนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนก็ต้องเห็นแก่ตัวก่อนแต่จะเห็นในระดับไหนในระดับว่า เราต้องสุขสบายตลอดเวลาเราต้องมีกินมีใช้ในระดับนี้เราลดลงต่ำกว่านี้ไม่ได้อย่างนี้มันก็อาจจะเป็นการเห็นแก่ตัวที่มากเกินไปถึงแม้ว่าเราอาจจะสูญเสียข้าวของเงินทองลดระดับการกินอยู่ของเราให้ต่ำลงแต่ก็ยังอยู่ได้แต่เราไม่ยอมทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวแบบไม่คิดถึงใคร ก็เรียกว่าไร้ความเมตตาก็แล้วันขาดความเมตตากรุณาอย่างเช่นตอนนี้น้ําท่วมเนี่ยในต่างจังหวัดนี่เราก็บอกว่าช่วยไม่ได้เพราะว่าเรายัางต้องช่วยตัวเราเองอยู่เรายัางต้องมีรถสองคันมีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้มีค่าใช้จ่ายอะไรเพียบอยู่ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะทําบุญไม่ได้เราก็จะช่วยเหลือใครไม่ได้นคําถามจากคุณต้นกล้าค่ะ ฟังเทศผ้าจานเราแค่อยากไม่เกิดต่อก็คงต้องเกิดทำอย่างไรจึงจะได้แรงบรรดาลใจให้ปฏิบัติจริงจังจนได้ดวงตาเห็นธรรมเราต้องเห็นทุกข์จริงๆก่อนใช่ไหมเจ้าคะก็เห็นทุกข์ก็ได้เนี่ยวิธีเห็นทุกข์ก็ไม่ต้องรอให้มันมาหาเราเราไปหามันดยเราไปเยี่ยมคนแก่คน การคนที่อยู่โรงพยาบาลไปงานศพไปดูศพอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่เราไม่เห็นทุกกันเพราะเราหนีมันไม่ยอมมองมันไม่ยอมไปเจอคนแก่ไม่ยอมไปเห็นคนเจ็บไม่ยอมไปดูคนตายเราก็เลยลืมเราก็เลยคิดว่าเราอย่างจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็เลยทำให้เราไม่มีอะไรมากระตุ้นให้เราปฏิบัติ ทำที่จะพาให้เราหลุดออกจากกองทุกของการเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างนั้นถ้าเราอยากจะปฏิบัติอย่างจริงจังเราต้องหมั่นเจริญ<ม>ความแก่ความเจ็บความตายตามที่พระเจ้าสอนให้เรานำเลิกอยู่เรื่อยๆคือเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีการตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพัดพรากจากกาันเป็นธรรมดา ลงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ให้คิดบ่อยๆคิดวันละหลายๆรอบพอเราไม่คิดเราก็เลยจะคิดว่าโอ้ยเราจะมีมีสิ่งต่างๆอยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อยๆแต่ความจริงไม่มีใครรู้หรอกทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่เดี๋ยววันหนึ่งก็ถูกเขามาปลดไปหมดมาเอาคืนไปหมดเราเป็นเหมือนเหมือนคนไปซื้อของเงินผ่อนเน่เดี๋ยววันหนึ่งพอเราไม่ผ่อนเขาธนาคารเาก็มายึดคืนไปหมด ข้าวของเงินทองทรัพย์สินอะไรต่างๆนี้พอเราไม่มีลมหายใจปั๊บไม่สามารถผ่อนส่งได้เขาก็มายึดกลับไปหมดนะต้องคิดอย่างนี้มันจึงจะทำให้เราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรามาอยู่นี้มันไม่มีคุณค่าราคาอะไรมากมายสักวันหนึ่งก็ต้องสูญเสียมันไปเวลาสูญเสียก็จะเกิดความทุกข์มากโดยเฉพาะเสียตอนที่ยังไม่ตาย นอนที่ไม่ตายนี้ถ้าเกิดสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปนี่จะมีความทุกข์ทรมานใจมากก็จะทำให้ว่าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็อยากจะไปปฏิบัติธรรมได้เหมือนพระพุทธเจ้านี่ถ้ายังไม่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไม่เห็นนักบวชก็คงยังจะไม่รู้สึกอะไรแต่พอเห็นเข้าทีนี้จิตใจมันสั่นสะเทือนขึ้นมาทันทีหมดแล้วเลย โอเคมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็เอาธรรมะที่ได้ยินได้ฟังขเหล่านี้ไปทําการบ้านต่ออไปคิดต่อเอาไปพิจารณาต่อจะได้เป็นประโยชน์ถ้าไม่ไปคิดเดี๋ยววันสองวันมันก็ลืมแล้วมันก็เหมือนกับไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมถ้าอยากจะให้ธรรมะที่เราได้กลับไปนี่อยู่กับเราไปเรื่อยๆก็หมั่นคิดอยู่เรื่อยๆ ส่วนไหนที่เราจําได้ก็พยายามเอาม า, ม า, มาคิดบ่อยๆเป็นสติเตือนใจเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรกันนเอาละนะการเสดอวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ด่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด Amém. Oh.